สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอีกสามสี่ตอนเท่านั้นเราก็จะจบซีรีส์ชีวิตระเยซูพี่น้องครับในเช้าวันนี้จะพูดถึงสามตัวช่วยหรือสามปัจจัยเสริมครับสามตัวช่วยหรือสามปัจจัยเสริมที่มีต่อชีวิต คริสเตียนของเราที่จะเจริญเติบโตปัจจัยเสริมปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดนตรีคริสตจักรครับเรื่องของดนตรีหรือบทเพลงนี้จะช่วยเราให้เรามีความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันจะสามารถหนุนจิตชูใจ ของคนที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าดนตรีนั้นหรือบทเพลงหรือเพลงนมัตการพระเจ้านั้นประกอบไปด้วยสองส่วนครับส่วนแรกก็คือเนื้อร้องส่วนที่สองก็คือทํานองเนื้อร้องนั้นทําให้เราร้องเพลงด้วยความคิดส่วนทํานองนั้นทําให้เราร้องเพลงด้วยใจ คำว่าร้องเพลงด้วยความคิดก็คือใช้สมองร้องครับมีเหตุมีผลมีความหมายมีความลึกซึ้งอันเกิดจากประสบการณ์อันเกิดจากโพชนะของพระเจ้าแหล่งที่มาของเนื้อร้องก็คือประสบการณ์ที่ผู้แต่งเพลงนั้นได้มีกับพระเจ้าโดยผ่านทางโพชนะของพระเจ้าครับแหล่งที่มาแหล่งที่สองก็คือตัวโพชนะเอง เราจะเห็นว่าในเนื้อเพลงเนื้อเพลงหรือเนื้อร้องของเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงนำ้ำมัสการพระเจ้าเพลงแห่งความชื่นชมินดีประกอบไปด้วยเนื้อความที่มาจากพระคัมภีร์ครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญผู้แต่งจะต้องมีความรู้ทางด้านศาสนศาสตร์มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ได้เป็นผู้ที่เข้าใจพระคัมภีร์ ตอนที่อ่านนั้นอย่างถูกต้องเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ของตัวเองในการเชื่อฝังพระเจ้าในการที่พระเจนะตอนนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรในขณะเดียวกันเขาได้นําพระเจ้าตอนนั้นบทนั้นข้อนั้นไปใช้ในชีวิตของเขาได้อย่างไรอันนี้จะเป็นประสบการณ์ครับส่วนเนื้อร้องหรือเนื้อเพลงอีกประเภทหนึ่งนั้นก็มาจาก พระคัมภีร์ล้วนๆคือเนื้อหาสาระที่อยู่ในพระคัมภีร์เองยกตัวอย่างเช่นสรดีบทที่46ข้อ1พระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากศิลปินหรือนักแต่งเพลงบางคนก็จะยกเนื้อร้องจากตรงนี้ครับแล้วก็มาใส่ทำนองไปพี่น้องครับนี่คือเนื้อร้องเนื้อหาสาระจะต้องถูกต้อง จะต้องไม่ผิดไระกัมภีร์นะครับจะต้องถูกหลักศาสนาศาสตร์ด้วยครับเพราะเนื่องจากหลักศาสนศาสตร์นั้นเป็นกรอบที่จะคุมนะครับไม่ให้ใครที่อยู่นอกกรอบนั้นถูกต้องแต่อยู่ในกรอบครับถึงจะถูกต้องถ้าใครหลุดกรอบไปก็คือเขาเรียกว่าเป็นการตกหล่นจากโต๊ะไปนะครับอยู่นอกกรอบประการต่อไปครับก็คือ ทำนองเพลงทำนองเพลงนั้นจะทำให้ผู้ร้องนะครับหรือผู้ที่เล่นได้เกิดความซาบซึ้งเพราะทํานองเพลงนั้นมีเร็วมีช้ามีดังมีค่อยไม่เพียงแค่านั้นครับยังมีความหวานนะความเข้มแข็งเข้มข้นความละมุนละไมความอ่อนโยนกับความดุเดือดในทํานองเพลงต่างๆเหล่านี้ครับ บางเพลงนั้นเป็นเพลงที่หนุนใจทำนองที่หนุนใจทำนองที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจแต่บางเพลงนั้นก็เป็นจังหวะที่เร่งเร้านะครับรุกและก็ทำให้เกิดความพึกเขิมครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เรารู้ว่าการร้องเพลงต้องร้องด้วยใจนะครับก็คือทานองท่วงทำนองต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึก ภาษาภาษาวัยรุ่นก็คืออินครับอินกับกับดนตรีกับเนื้อร้องนะครับนี่คือปัจจัยตัวช่วยปัจจัยแรกครับพี่น้องก็คือบทเพลงหรือดนตรีคริสจักรนั่นเองการฟังดนตรีคริสจักรนะครับจะต้องเลือกฟังให้เป็นครับนะครับบางครั้งก็เป็นดนตรีแบบโบราณบางครั้งก็เป็นลักษณะของเพลงสรรเสริญแบบิ y มนะครับหรือบางครั้งก็เป็น เพลงร่วมสมัยแบบค o n t e m p o r a r y นะครับนี่คือการปัจจัยช่วยดนตรีการฟังดนตรีหรือการร้องนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับเนื้อหาถูกต้องนะครับทวงคานองถูกต้องนะแต่ก็บางเพลงคนนี้ชอบบางเพลงอีกคนหนึ่งชอบเราไม่ชอบขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับจริตของเราขึ้นอยู่กับความชอบของเรา อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่จริตของแต่ละท่านแต่ละคนปัจจัยที่สองครับก็คืออันนี้เป็นนามธรรมนิดหนึ่งก็คือความหวังครับความหวังทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ความหวังนั้นทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อไปความหวังทำให้เรามีอะไรที่เป็นที่หวังที่คิดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตจะสามารถไขว่คว้าได้พระกัมพีได้กล่าวว่าคริสเตียนนั้นเราควรจะมีความหวังและความเชื่อในเรื่องของการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานะครับโดยพรจนะของพระเจ้านั้นได้มีการเผยถึงเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและพระเยซูเองตรงก็ได้ พูดถึงเรื่องการที่พระเยซูเองจะเสด็จกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกันโปรดฟังพระญาของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่หลายท่านคุ้นเคยหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อสิบสาถึงสิบแปดพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับคนที่ล่วงหลับไปหรือทุกโศกเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวังเราเชื่อ ว่าพระเยซูทรงเส้นพระชนและทรงเป็นขึ้นอีกเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้ผู้ที่ล่วงหลับไปในพระเยซูมากับพระองค์อีกเราขอบอกท่านตามพระดำรัสขององค์พระบุญเจ้าว่าพวกเราผู้ที่ยังมีชีวิตผู้ซึ่งเหลืออยู่จนองค์พระบุญเจ้าจเสด็จมาจะไม่ขึ้นหน้าไปก่อนผู้ที่ล่วงหลับไปอย่างแน่นอน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยพระบัญชาตึกก้องด้วยเสียงแห่งเทพดีและเสียงแตรของพระเจ้าผู้ที่ตายในพระคดจะเป็นขึ้นก่อนจากนั้นพวกเราผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และเหลืออยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพ ร, ร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฝ้าอากาศแลเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันด์ฉะนั้น จงหนุนใจกันด้วยข้อความเหล่านี้เถิดพี่น้องครับความหวังในอนาคตนั้นก็คือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ความหวังในอนาคตนั้นจะกำหนดทิศทางครับทิศทางท่าทีของเราในการที่เราจะเดินถ้าคนที่ไม่ค่อยมีความหวังในอนาคตมากหรือคนที่ไม่เชื่อมากเขาก็จะจดจ่อชุดของเขาแค่ในโลกนี้ หลังจากนี้จะเป็นยังไงไปยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่ได้เห็นและมีความหวังชัดเจนครับด้วยความเชื่อของเขาจึงได้เห็นเห็นความหวังตรงนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นความหวังตรงนั้นนะครับก็จะกำหนดชีวิตของเขากำหนดทิศทางชีวิตของเขากำหนดท่าทีที่เขาจะเดินไปนะครับกำหนดแรงจูงใจ ทุกอย่างในการเดินเพี่นครับความหวังอนาคตนั้นมีความสําคัญมากครับปัจจัยที่สามครับปัจจัยสุดท้ายผมจะขออนุญาตพูดสั้นๆปัจจัยสุดท้ายที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเติบโตของเรานั้นก็คือเราต้องเป็นพยานแล้วต้องบอกคนอื่นๆครับในพระพุทธพีนั้นได้ทําให้เรารู้ว่าบรรดาพวกสาวกนั้นได้กระจัดกระจายไป เพื่อที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐเราเองนั้นก็จะได้รับการพัฒนาเมื่อเราเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันความเชื่อของสาวกนั้นเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าพวกเขาสามารถสามารถที่จะพลีชีวิตหรือพลีชีพเพื่อพระคริสต์เราเองนั้นจะต้องอาศัยเคล็ดลับตรงนี้ครับ ก็คือการเป็นพยานนั้นทำให้เราเติบโตในพระเยซูคริสต์การเป็นพยานนั้นทำให้เราพัฒนาความเชื่อของเราในการโต้แยง้งในการนาเสนอในการปกป้องความเชื่อของเราในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสค่ควรพิจารณาถึงจุดอ่อนในความเชื่อของเราบางคนมีจุดอ่อนในความเชื่อของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกัน เราก็สามารถที่จะนำเอากันเป็นพยานประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพื่อที่จะเราจะรู้ว่าอะไรคือความเชื่อของเราอย่างแท้จริงอะไรเป็นความหวังของเืาอย่างแท้จริงและการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นการเอ็กซ์ไซซ์ความรักครับการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้จำกัดวงเฉพาะการพูดด้วยปากครับแต่เป็นการนำเสนอด้วยชีวิตพี่น้องเราจะเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวของเรา หลายหลยคนทำไมไม่ยอมเชื่อพระเจ้าสักทีก็ เ, เพราะว่าะไรครับเพราะว่าเราประกาศด้วยปากแต่เราไม่ได้ประกาศด้วยชีวิตโปรดจำไม่ว่าพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกให้แก่ผู้คนเพราะฉะนั้นบอกเขาด้วยความอดทนบอกเขาด้วยความระมัดระวังบอกเขาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมอย่ายัดเยียดให้คนอื่นยอมรับข่าวประเสริฐครับ พระกัมภีรบอกให้เราเป็นพยานครับสำแดงความรักเราไม่ใช่จัดเราไม่ใช่ผู้พากษาเราต้องเป็นพยานถึงเรื่องราวข่าวดีครับเราต้องจูงใจเขาเราต้องช่วยเขาให้เขาได้รับความรอดขอพร้ช่วยเรานะครับให้เราเข้าใจสามปัจจัยที่เป็นตัวช่วยที่เราจะพัฒนาจิตจินยาณของเราอาเมน